บุ๊กทูหิบอ็ดชัสตูยกลำดับเลขออดอเตตร์ทีบีเดือนแรกคือเดือนมกราคมอวัลินมาจอนวีเอส เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ดน เ, เดือนที่สามคือเดือนมีนาคมเดือนที่สี่คือเดือนเมษาย น, านาายเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม พันจมินมอเมฮัสตเดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนเฉชฌมินมอจูอา纳斯ตหกเดือนคือครึ่งปีเฉชม m แยกนิมซอลมหสุบมีชวนด์มกราคมกุมพาพันธ์มีนาคมยานวีเยเฟเว เ <Mars. S 2> มษายนพฤษภาคมและมิถุนายนออฟริลเมยูอันเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมมาเฮฟต์ดอยูเอียสตเดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคมมาเฮเตมอูตสต เดือนที่9คือเดือนกันยายนมาหน์นหมสิบท้ามรัสดเดือนที่10คือเดือนตุลาคมมาห์ดหมอกโทบรัสดเดือนที่11คือเดือนพฤศจิกายนมาห์ย از h หมนว ام รัส เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมสิบสองเดือนคือหนึ่งปีกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม October, November,